ที่จะจอเข้ามารบกวนจิตใจอันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาษษษสดาวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2556อีกเพียง20วันเท่านั้นก็จะถึงวันสำคัญวันหนึ่งของทางวัดนั่นก็คือวันที่3ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาญเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ถือเอาวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ได้ทํากิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านกิจกรรมหนึ่งที่ทุกท่านทุกคนสามารถทําถวายได้นั่นก็คือ การปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราย้อนดูถึงพระประวัติของพระองค์ท่านให้ดีเราก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงเน้นด้านการศึกษาและปฏิบัติ ธ, ธรรมะเป็นอย่างเอกนี่ก็จะเห็นได้จากที่ท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือธรรมะไว้มากมายอีกทั้งได้มีการเทศอบรมพระนิรนดตลอดจนญาติโยมประชาชนทั่วไปให้เรารู้ และได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงทำอย่างนั้นก็เนื่องโดวยว่าพระองค์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลประจักษ์ที่พระทัยของพระองค์ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ินิยานิกธรรมคือทาเป็นเครื่องนาสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงจากนั้นจึงอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมอันดีหรือที่เรียกว่าธรรมะสุธรรมตัง อาศัยความกรุณาอาศัยความเอ็นดูจึงได้ทรงแสดงธรรมบอกสอนธรรมคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัเราท่านทั้งหลายเพื่อให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจและนำธรรมะไปใช้เพื่อลดทอนความทุกข์ตามแต่กำลังของตนจนถึงสา ม, มารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นอัตมาภาพจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งให้ได้มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศล อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำเนินตามแนวทางที่ท่านมุ่งหวังไว้และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กระทำการปฏิบัติบูบชาซึ่งเป็นการบูชาอย่างเลิศในการบูชาทั้งหลายก่อนที่จะได้นำธรรมะไปปฏิบัติก็อยากจะเน้นย้ำทำความเข้าใจกับสาธุชนทุกท่านให้ได้มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเมื่อเข้าใจได้ตรงแล้วปฏิบัติจึงตรงถูก และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้นั่นก็คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อพูดถึงทุกข์ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองสํารวจตัวเองดูว่าในชีวิตที่ผ่านๆมาอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ของเราท่านทั้งหลายบางท่านก็อาจจะบอกว่าการที่ต้องหาอยู่หากินแล้วไม่พอใช้นั้นเป็นทุกข์บางท่านก็ว่าการป่วยไข้เป็นทุกข์บางท่านก็ว่า การโดนกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นทุกข์ทีนี้เราลองมาดูกันว่าพระพุทธองค์ตรัสจำแนกทุกข์ไว้อย่างไรบ้างสิ่งที่พระองค์จำแนกไว้ว่าเป็นทุกข์นั้นได้แก่ชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะคือความแห้งใจปริเทวะคือความร่ำไรรำพันทุกขะคือทุกข์กายก็เป็นทุกข์ โทมนัสคือทุกใจก็เป็นทุกข์อุปายาสะคือความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยคะคือความพลัดพรากจากสิ่งรักก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยคะคือความต้องประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ยามปิดช่างนัลภติตามปิคือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้นั้นก็เป็นทุกข์ สังคิตเตนะปันจุปาทานัขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วขันห้าเป็นทุกข์หรือพูดอีกในหนึ่งได้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์และข้อธรรมอันหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้เพื่อต่อสู้กับความทุกข์นั้นก็คือขันติคือความอดทนอดกลั้นดังพระบาลีที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าขันตีปรมังตโปตีติฆาแปลความว่า ขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะคือเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งก่อนที่จะได้พูดถึงขันติก็จะขอพูดเกี่ยวกับตบบะเสียก่อนไม่ได้ยินคำว่าตะบะทุกท่านอาจจะนึกถึงภาพของหรือสีหรือนักพจน์ต่างๆที่กำลังบาเพ็ญเพียรตามลัทธิของตนของตนอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือประเทศอินเดียมีการบาเพ็ญตะบะห ล, หลายรูปแบบอาทิเช่น นอนบนที่นอนที่มีหนามแหลมบ้างกัมมือไว้จนกระทั่งเล็บแทงทะลุหลังมือบ้างหรือทรมานตนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อได้ประพฤติตนแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็จะสามารถขูดเกาแผดเผาความชั่วในตนให้หมดไปและนําตนให้ไปสู่สุคติได้ฉะนั้นตะบะนั้นจึงมีหลากหลายตามความเชื่อของลัทธินั้นๆ ทีนี้มาลองดูทางฝั่งของพระพุทธศาสนาดูบ้างก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นพระองค์ก็ทรงได้ทดลองประพฤติปฏิบัติในลทัทธิต่างๆจนหมดมีการไม่นุ่งห่มผ้ามีการเสวยคูดและมูดคืออุจจาระป ส, สาวะเพื่อประทังชีวิตมีการอดพระกรยาหารหรือทรมานตนในแบบต่างๆจนในที่สุด พระองค์ก็ทรงพบว่าการทรมานร่างกายเพื่อทาให้จิตบริสุทธิ์พ้นทุกข์ได้นั้นไม่สามารถทำได้จึงได้ทรงหันมาประกอบการบาเพ็ญเพียรทางจิตคือฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นเบื้องต้นและพิจารณาจนเข้าใจตามความเป็นจริงทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้ลงได้จิตของพระองค์จึงถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากนั้น ได้ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาำธำ ร, รมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์มาสั่งสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้ตามเห็นตามและเครื่องยืนยันว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสิ่งประเสรศิฐนำออกจากทุกข์ได้จริงนั้นก็คือตัวของพระองค์เองและเหล่าสาวกอรหันของพระองค์เพราะถ้ามีความสุขที่ดีกว่าหรือมีที่ที่ไม่มีความทุกข์ ได้ละเอียดประณีตกว่าแล้วพระองค์ก็คงเลิกราจากการบวชนิ้เสียแต่นี่กลับไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากที่พระองค์นำพระองค์ออกจากทุกขทั้งปวงได้แล้วก็ยังคงดำรงอยู่บนทางสายนี้ต่อไปและนำสิ่งที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นมาบอกสอนประชาชนให้ได้เห็นและรู้ตามพระองค์ด้วยจนมีผู้ที่มาศึกษาและปฏิบัติแล้วเดี๋ยวรู้ทำเห็นธทำตามพระองค์มากมาย บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ย้อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมๆอีกอีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาพระภาระของพระองค์โดยการที่นำธรรมะไปบอกสอนต่อเพื่ออนุเคราะห์แก่หมูสัตว์ที่ยังเวียนว่าอยู่ในสังสารทุกนี้พระพุทธศาสนาจึงยังดำรงสืบทอดต่อมาจนถึงยุคสมัยของเรานี้ให้เราได้มาศึกษาและปฏิบัติเพื่อนำตัวเองให้มีความสามารถที่จะนำตนออกจากทุกได้ ส่วนแนวทางการศึกษาและปฏิบัตินั้นก็ส่งวางไว้เป็นสมหลักใหญ่ที่เรียกว่าสิขาสคือข้อที่พึงศึกษาและประพฤติปฏิบัติ3ข้ออันได้แก่อธิศีลสิกขาหนึ่งอธิจิตสิกขาหนึ่งอธิปัญญาสิกขาหนึ่งหรือที่เรามักจะคุ้นกันในชื่อศีล ส, สมาธิปัญญานั่นเองก่อนที่จะได้อธิบายถึงสิ่งที่เราต้องพึงศึกษาปฏิบัติ คือสิกขา3ก็ขอวกกลับเข้ามาถึงเรื่องของขันติคือความอดทนอดกลั้นเสียก่อนขันติคือความอดทนอดกลั้นนั้นก็เป็นข้อธรรมะข้อหนึ่งในหลายๆข้ออาทิเช่นความเพียรความเมตตาที่เราจะต้องสร้างให้เกิดให้มีในจิตของเราเปรียบเหมือนคนที่ต้องการวิ่งให้ได้100เมตรภายในเวลา10วินาที 1. ในคุณสมบัติที่จะต้องมีก็คือ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนอกจากนั้นขนาดของปอดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้ปริมาณออกซิเจนก็จะเป็นต้องมีและอีกหลายๆปัจจัยที่จำเป็นเพื่อที่จะบรรลุถึงการวิ่งให้ได้100เมตรภายในเวลา10วินาทีนั้นนี้ฉันใดเหตุปัจจัยสำหรับการพ้นทุกนั้นคันติธรรมก็เป็นเหตุปัจจัยหรือคุณสมบัติอันหนึ่งที่จิตที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกนั้น ต้องทำให้เกิดต้องทำให้มีและทำให้เป็นเกิดเป็นนิสัยหรือความเคยชินขึ้นในจิตให้ได้คำอธิบายภาษาไทยของคำว่าขันติก็คือความอดทนอดกลั้นเมื่อแยกแยะแล้วก็จะเห็นได้3มคุณลักษณะของขันติคืออดหนึ่งทนหนึ่งกลั้นหนึ่งอดทนและกลั้นนี้ เป็นคุณสมบัติที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นในขณะที่เราศึกษาปฏิบัติไปตามแนวของศิขาสามคือศีลสมาธิและปัญญาฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะขอเน้นแต่เฉพาะขันติธรรมแนวทางของขันติในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ที่กล่าวอย่างนี้ไว้ก่อนก็เพราะกลัวว่าญาติโยมอาจจะเข้าใจเพียงแค่ว่ามีเฉพาะแต่ขันติเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วก็มีข้อธรรมอีกหลายข้อด้วยกันอาทิเช่นเมตตากรุณาอุเบกขาเป็นต้นที่สาธุชนพึงจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจแต่วันนี้อัตมาภาพยกเรื่องขันติก็จึงอยากให้ทุกท่านได้ลองนำขันติไปประพฤติปฏิบัติ ด, ดูเพื่อเป็นการปฏบิบัติบูชาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชของเรา แนวทางของการศึกษาปฏิบัติเพื่อทำที่สุดของทุกนั้นก็ขอเริ่มที่อธิศีลสศิขาก่อนศีลในพระพุทธศาสนานั้นก็แบ่งได้ตามประเภทของพุทธบริษัทถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีลหหรือศีล8ส่วนสามเณรก็ถือศีลสิบและพระภิกษุก็ถือศี 10, ล227 ที่แบ่งไว้ตามนี้ก็เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมกับเพศของตนของตนอย่างชาวบ้านถ้ามาประพฤติปฏิบัติตนโดยถือศีล227ข้อแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าให้พระมาถือศีลอย่างคารวะแล้วความย่อหย่อนและความเนิ่นช้าในการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเกิดขึ้นอีกทั้งความน่าเคารพเรื่มใสในเพศของผู้บวชนั้นก็จะเสื่อมไป ฉะนั้นศีลจึงเป็นกรอบแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อให้เหมาะกับฐานะของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งผลที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามเณรหรือพระภิกษุก็ตามสามารถที่จะถึงผลอันเลิศในพระศาสนานี้คือมรรคสี่ผลสีน่นิพพานหนึ่งได้ทั้งนั้นบางที ครว่าดผู้ที่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอย่างดีก็อาจจะมีภูมิธรรมสูงกว่านักบวชก็เป็นได้ส่วนวัตถุประสงค์สำคัญของการมีศีล น, นั้นก็คือศีลเป็นการลดทอนความทุกข์แบบหยาบๆในชีวิตของเรายกตัวอย่างศีลหถ้าใครได้ร้องประพฤติผิดสักข้อเรื่องเดือดร้อนเพราะการผิดศีลข้อนั้นๆก็จะมีอยู่ในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆไม่หยุดหยอน ในปัจจุบันนี้ยกเรื่องการผิดศีลข้อกาเมน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนดีกว่าเพื่อนการที่เรานอกใจคู่ครองหรือคนรักของเราเรื่องต่างๆก็เกิดมีมาวุ่นวายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินเกินตัวจึงต้องมีการทําทุจริตเพื่อให้ได้เงินมาใช้สอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะเบาแว้งในครอบครัว ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนต้องคอยโกหกเพื่อที่จะหาเวลาไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่อาจจะมาจากการที่มีคู่นอนหลายคนหรืออาจจะเป็นการทำร้ายทำลายกันได้เมื่อคู่ครองของเราทราบเรื่องความประพฤตินอกใจปัญหาภายนอกเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาศีลข้อการมีสุมิชาจารได้ อีกทั้งศีลอีกสีข้อที่เหลือก็เช่นกันถ้าบุคคลใดรักษาได้อย่างดีแล้วชีวิตของผู้มีศีลก็จะเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขไม่มีเรื่องภายนอกที่เดือดร้อนวุ่นวายแต่การที่จะรักษาศีลทั้ง5าข้อให้ได้นั้นคันติธรรมก็เป็นธรรมะหรือเป็นคุณสมบัติจําเป็นที่จะทำให้ศีลที่เรารักษานั้นบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย ทุกโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะและเมื่อศีลอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้เป็นเบื้องต้นก็จะลดทอนหรือหมดไปได้ด้วยขันติธรรมแล้วการนำขันติไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติศีลนั้นทำอย่างไรศีลนั้นเป็นข้องดเว้นที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ยกตัวอย่างศีลข้อปานาติบาคือการไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตตกล่วงไปพูดให้ง่ายตีวงให้แคบลงก็ คือเว้นที่จะไม่ทำร้ายใครหรือสัตว์ตนใดอย่างในกรณีของการที่มีคนมาทำร้ายเรากแกล้งเราความโกรธเคืองจนทำให้อยากจะไปทำร้ายเขาก็มีขึ้นถ้าเราไม่มีขันติธรรมแน่นอนคือการที่เราจะตอบโต้โดยการทำร้ายทำลายกันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราใช้ขันติในสามคุณลักษณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคืออดทนกลัน่น คืออดที่จะไม่คิดร้ายอดที่จะไม่ทําร้ายเขาแต่ถ้ายังอดไม่ได้ก็ให้ทนไว้แต่ถ้ายังทนไม่ไหวก็ต้องกลั่นมันไว้ให้อยู่จริงๆแล้วดูจากภายนอกอาจจะยังไม่เห็นภาพแท้ๆของขันติสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่ว่าไว้ว่าขันติเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีในใจฉะนั้นอธิบายในเรื่องของใจก็จะเห็นกระบวนการของขันติที่ชัดเจนขึ้นแต่ก่อนอื่น ขอนอกเรื่องไปที่เรื่องของใจสักหน่อยก่อนเพื่อความจะได้ไม่สับสนเวลาอธิบายขันติใจหรือจิตนั้นมีหน้าที่อยู่4อย่างคือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆขอย้ำว่าใจมีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์โดยที่อารมณ์นั้นก็เข้ามาสู่ใจได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดนึกปรุงแต่งของใจเอง ฉะนั้นจากกรณีที่เราโดนเขาทำร้ายหรือกล่แกล้งสิ่งต่างๆที่เขาทำนั้นก็จะแปลสภาพไปเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจโดยผ่านมาทางตาหูหรือทางกายนี้จิตเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเหล่านี้ทุกจึงเกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งต่างๆของใจต่ออารมณ์ไม่น่าพอใจเหล่านี้จึงหลั่งไหลออกมาเมื่อจิตเราไปเสวยอารมณ์คิดปรุงแต่งเหล่านั้นอาทิเช่น เราจะไปด่าเขาคืนหรือไม่ก็จะไปทำร้ายร่างกายเขานั้นปากหรือร่างกายก็รับการตอบสนองไปตามความต้องการของใจที่เสวยอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเรามีขันติเราก็จะอดคืองดอารมณ์ไม่ดีที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาได้อีกทั้งอารมณ์ที่กระทบใจที่มาจากภายนอกนั้นเราก็งดก็ อ, อดได้เราจึงไม่ประพฤติไม่ดี มีการด่ามีการทำร้ายตอบโต้เป็นต้นแต่ถ้าเรายังอดหรืองดอารมณ์นั้นไม่ได้ก็ขอให้ทนคือใจไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นแต่ถ้ายังทนไม่ได้คือใจไหลไปตามอารมณ์ไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็ขอให้กลั้นเอาไว้ให้อยู่คือกลั้นเอาไว้ให้อยู่เฉพาะในภายในของเราไม่ปล่อยให้หลุดออกมาเป็นคําพูดหรือการกระทําต่างๆ ซึ่งถ้าขันติธรรมของเรามีกําลังอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในของเราก็จะโดนขันติธรรมแผดเผาให้เหือดแห้งหายไปจากจิตของเราได้ผลที่ได้ในภายในคือเราก็จะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นลงได้ส่วนผลภายนอกคือเราไม่ทําเหตุของทุกข์คือการละเมิดศีลและก็ทําให้เราเป็นผู้มีความประพฤติงามด้วย งามด้วยความประพฤติเพราะอันเนื่องมาจากจิตที่งามจิตที่ไม่รุ่มร้อนไปเพราะโทสะสมดังพุทธภาษิตที่มาในกุทกานิกาชาดกว่าขันติภัลสู่ประซัมมันติเวราความว่าเวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลังย่อมสงบระงับอย่างในกรณีของศีลข้อกาเมสุมิฉาจาร์ที่ยกมาข้างต้นก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นถ้าเราอดได้ คืออดที่จะไม่ทำเหตุคือการพูดคุยหรือคลุกคลีกับบุคคลที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการที่เราจะผิดศีลข้อนี้ได้ก็จะเป็นการง่ายแต่ถ้าเกิดเราอดไม่ได้ไปประกอบเหตุมีการติดต่อพูดคุยก็ขอให้เราทนต่ออารมณ์ที่จะมากระทบใจของเราให้ได้เชน่นเวลาเราได้ยินเสียงที่เขาพูดกับเราเราก็เกิดความรู้สึกยินดีมีการปรุงแต่งไปว่าเขาคนนี้เป็นคนน่ารัก หรือเวลาเห็นก็มีความรู้สึกว่าเขามีรูปอันงามจับใจเหล่านี้ก็ขอให้ทนให้ได้ถ้ายังมีเหตุที่ต้องทำให้ต้องทนต่อไปก็ขอให้กลั้นความรู้สึกหรือกลั้นวาจาและพฤติกรรมที่จะเป็นเหตุให้เหตุการณ์กล้าไปถึงขั้นมีการนอกใจคู่ครองของตนฉะนั้นถ้าใจเราสามารถที่จะอดทนและกลั้นต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งจากภายนอกและจากการปรุงแต่งภายในใจของเราเองได้ศีลข้อนี้เราก็จะทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ทุกโทษที่จะตามมาภายหลังก็เป็นอันเราระ ง, งับไว้ได้ฉะนั้นแนวทางการศึกษาปฏิบัติในเรื่องของศีลโดยใช้ขันติธรรมก็มีดังที่อธิบายมานี้เมื่อเรามีศีลที่บริบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่า เรามีศักยภาพที่จะกรองทุกอย่างห ย, ยาบๆได้ชีวิตภายนอกของเราก็จะเป็นชีวิตที่สงบร่มเย็นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วทุก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดไปได้อย่างหมดสิน้นความเบื่อหน่ายความเหงาความฝุ้งฟ้านความห่อเหี่ยวใจอยากได้แล้วไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้เหล่านี้ร้วนเป็นความทุกข์ของใจเราทั้งนั้น ซึ่งศีลอยังไม่สามารถที่จะกําจัดทุกเหล่านี้ออกไปจากใจเราได้ฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับอธิจิตตสิกขาหรือที่เราคุ้นหูกันว่าการฝึกสมาธินั่นเองส่วนวิธีการฝึกนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานไว้หลายวิธีด้วยกันแต่ในที่นี้จะพูดถึงวิธีที่เรียกว่าอาณาปานสติคือการมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้า และลมหายใจออกบางท่านเมื่อฟังอย่างนี้แล้วอาจจะเกิดความสงสัยว่าเรากำลังต้องการฝึกสมาธิแล้วเชไหนถึงขันไปพูดเรื่องสติกก็ขอแก้ ว, ว่าสมาธินั้นแปลเป็นไทยได้ว่าความตั้งมั่นของใจและก็ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าใจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ฉะนั้นความตั้งมั่นของใจก็คือใจที่ตั้งมั่นในอารมณ์ หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือใจนั้นเป็นใจที่มีอารมณ์เดียวนั่นเองแต่ใจนั้นเป็นธรรมชาติสวยอารมณ์ไปตามสิ่งที่ใจนั้นไปรู้เช่นไปดูรูปที่ถูกใจรูปนั้นก็แปลเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ชอบใจหรือราคะขึ้นที่จิตจากนั้นก็เปลี่ยนไปรู้เสียงที่คนข้างบ้านทะเลาะกันเสียงนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ไม่พอใจหรือโทสะเกิดขึ้นในจิตเป็นต้น นี่ก็จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของใจนั้นรู้โน่นรู้นี่ไปอย่างไม่มีการควบคุมไปรับอารมณ์ที่เป็นพิษกับใจใจก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองไปรับอารมณ์ที่ดีมีความสงบเป็นต้นใจก็เป็นใจที่ดีมีความสบายเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้จิตนั้นเลือกที่จะรับอารมณ์ที่เป็นประโยชน์แก่จิตการที่จะเลือกได้นั้น การระลึกรู้หรือสติจึงเป็นสิ่งสําคัญอีกทั้งก็ทรงได้ให้แนวทางที่เราจะวางจิตหรือให้สติเกิดขึ้นแบบไหนจึงจะดีแก่ จ, จิตของเราในที่นี้ก็ได้ยกการดูลมหายใจมาเป็นข้อปฏิบัติที่เลือกลมหายใจนั้นก็เพราะว่าเราทุกคนนั้นไม่ว่าจะสนใจก็ดีหรือไม่สนใจก็ดีเราก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออก อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งอารมณ์ของการหายใจก็เป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นพิษกัะใจไม่่อนไปทางความสุขหรือความทุกข์เป็นอารมณ์ที่กลางๆเมื่อใจหรือสติเราเกิดที่ลมหายใจของเราได้บ่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องใจก็เสวยแต่อารมณ์กลางกางของการหายใจอย่างเดียวหรือที่เรียกว่าใจเป็นใจที่ตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งผลที่ได้ก็คือ ใจนั้นจะสงบประงับจากอารมณ์ทั้งหลายมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของการหายใจนี่ก็พอสรุปได้ว่าการฝึกสมาธินั้นแท้จริงแล้วก็คือการฝึกสัมมาสตินั่นเองเมื่อมีสัมมาสติที่ตั้งมั่นดีแล้วจึงได้สัมมาสมาธิเป็นผลมีความสงบประงับจากอารมณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นที่ใจแล้วขันติละ่ะเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างกับการฝึกสัมมาสติ เพราะว่าธรรมชาติของใจนั้นมีอารมณ์เป็นอาหารอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเราก็ต้องคอยคัดกรองอาหารให้ใจไม่ให้ใจเผลอไปเสวยอารมณ์อันเป็นพิษอันมีความไม่สงบของใจเป็นผลอาตมาภาพก็จะขอเปรียบการฝึกสตินั้นเหมือนคนที่ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยธรรมชาติแล้วการที่ไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้านั้นสิ่งที่เราซื้อกลับบ้าน ก็มีทั้งของที่จำเป็นต้องซื้อจริงๆของที่จำเป็นแต่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อและของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ก็อยากซื้อซึ่งโดยมากแล้วสัดส่วนของของที่เราได้ซื้อกลับบ้านนั้นก็จะเป็นในสองอย่างหลังมากกว่านี้ฉันใดธรรมชาติของใจก็ฉันนั้นโดยมากใจก็เสวยแต่อารมณ์ที่ชอบแต่ส่วนมากแล้วอารมณ์ที่ชอบ ก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของใจเช่นมีคนนินทากันเราก็ชอบไปฟังยิ่งโดยเฉพาะถ้าเขากำลังนินทาเราด้วยแล้วเรายิ่งอยากฟังถึงแม้รู้ทั้งรู้ว่าหลังจากฟังแล้วเราก็จะต้องโกรธแต่ก็อดใจที่จะไม่ไปฟังไม่ได้แต่พอเป็นเรื่องการมาเฝ้าดูรู้ลมหายใจเป็นการทำให้ใจได้มีอารมณ์ที่เป็นกลางมีความสงบเกิดขึ้น เราก็ไม่ค่อยที่จะสนใจกันเท่าไหร่นี้ก็ฉะนั้นฉะนั้นผู้ที่มีขันติธรรมอันมีกำลังจึงจะสามารถทำให้สตินั้นตั้งมั่นที่ลมหายใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อใจมีอารมณ์ใดๆที่ไม่ใช่อารมณ์จากการเฝ้าดูลมหายใจเกิดขึ้นใจนั้นก็ต้องอดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ได้เมื่อออดได้ใจก็ตั้งมั่นลงที่ลมได้ถ้าอดไม่ได้ ก็ต้องทนที่จะไม่ให้ไหลออกไปตามอารมณ์เหล่านั้นได้ถ้าทนได้ใจก็จึงยังตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจได้แต่ถ้าใจเกิดทนไม่ไหวเกิดอาการจะไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นก็ต้องกลั่นเอาไว้มาให้ออกไปจากลมเมื่อสามารถกันไว้ได้ใจก็จึงจะตั้งมั่นลงที่ลมหายใจได้ใจจึงจะสงบประงับจากอารมณ์ต่างมีความสุข และสงบอันเป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจฉะนั้นขันติคือความอดทนอดกลั้นที่เกี่ยวเนื่องในการศึกษาและปฏิบัติกับอธิจิตตสิกานั้นก็มีในตามที่อธิบายมานี้และเมื่อมีศีลที่บริบูรณ์และสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับใจเรานั้นก็เป็นอันว่าลดน้อยลงไปมากทั้งความทุกข์ที่มาจากภายนอก และความทุกข์ที่มาจากภายในก็ได้สงบตัวลงไปแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เป็นการกําจัดทุกข์ได้อย่างหมดจดหมดสิน้นเพียงแต่เชื้อของความทุกข์คือกิเลสนั้นได้สงบตัวลงไปด้วยอำนาจของสมาธิเท่านั้นเมื่อใดที่กําลังของสมาธิเราอ่อนลงหรือหมดลงเชื้อของความทุกข์ที่สงบตัวลงก็กลับมากับเริ่มได้อีกใจเราก็จะป่วยป่วยหายหายสลับกันไปอยู่อย่างนี้ฉะนั้น เราจึงต้องมาศึกษาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในส่วนของปัญญาสิขาคือการที่เรามาพิจารณาให้ใจเรานั้นได้รู้เห็นตามความเป็นจริงในอย่างที่สิ่งนั้นนั้นเป็นเหมือนอย่างร่างกายของเรานั้นถ้าเราพิจารณาปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะพบว่าร่างกายของเรานั้นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดเป็นรังของโรคอย่างเช่นผิวหนังของเรานี้ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรมันก็จะค่อยๆเผยความเป็นจริงให้เราได้เห็นเหงื่อคลายสกปรกก็เริ่มปรากฏกลิ่นเปรี้ยวเหม็นบูดก็เริ่มมียิ่งปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆทีนี้โรคผิวหนังมีกลากเลื่อนเป็นต้นก็เริ่มเกิดกับผิวหนังเป็นโรคแบบนี้แล้วก็เกิดอาการคันเมื่อคันเราก็เกายิ่งเกาก็ยิ่งคันเมื่อเกามากๆ ผิวหนังก็เริ่มเป็นแผลเมื่อเป็นแผลแล้วก็เริ่มติดเชื้ออักเสบ พ, พอแผลติดเชื้ออย่างนี้ก็ยิ่งทั้งแสบทั้งคันพอคันก็ยิ่งอยากเกาอดทนที่จะไม่เกาไม่ได้ก็ยิ่งเกายิ่งเกาแผลก็ยิ่งลุกลามไปหลายที่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆอย่างนี้พวกมแมลงวันก็จะบินมาตอมแผลก็ยิ่งสกปรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งถ้ า, มาแมลงวัน มันมะไข่ยทิ้งไว้ที่แผลอีกทีนี้ก็เกิดหนอนที่จะเจาะชัยกัดกินน้ำเลือดน้ำหนองนี่ก็อธิบายพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาตามความเป็นจริงนอกจากจะพิจารณาให้เห็นเป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามไม่น่ารักน่าใครแล้วก็สามารถพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุสคือดินน้าไฟลมเช่นว่า ไม่ว่าคนเราก็ดีหรือสัตว์ทั้งหลายก็ดีทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีเมื่อเอาไปเข้าเตาเผาแล้วส่วนที่เป็นของเหลวก็ระเหยไปเป็นไอในอากาศส่วนที่เป็นของแข็งก็ไหม้จนเหลือแค่เท่าและฐานนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรานั้นว่าต่างกันมีคนสัตว์สิ่งของต่าง สุดท้ายก็เท่ากันคือเหมือนกันที่เป็นดินกองหนึ่งเท่านั้นความเป็นจริงแล้วเราก็แค่ธาตุสี่มาผสมปนเปแล้วก็สมมติเรียกกันไปอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างเช่นถ้าเดินสี่ขามีเขี้ยวเห่าได้เราก็เรียกกันว่าสุนัขมีสองขามีปีกบินได้ก็เรียกว่านกเป็นต้นแต่ความเป็นจริงก็คือการผสมกันเข้าของธาตุสี่เท่านั้น ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวตนเราเขาจริงๆพิจารณาได้อย่างนี้กิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฐิคือความเห็นว่านี้เป็นสัตว์นี้เป็นบุคคลนี้เป็นตัวตนเราเขาก็ได้ถูกกําจัดออกไปจากใจของเราได้นี่ก็เป็นแนวทางแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะสังเกตส่วนขันติธรรมจะมีส่วนจาเป็นหรือไม่ในการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง ก็ขอแก้ว่าขันติก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนที่จะทำให้จิตเราพิจารณาได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นการพิจารณาความเป็นของปฏิกูลของร่างกายดังที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นั้นในขณะพิจารณาอยู่นั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอดทนให้อยู่กับการพิจารณานั้นไม่ได้แล้วจิตก็จะไม่สามารถเข้าใจตามความเป็นจริงได้ธรรมชาติของจิตนั้น ท่านเปรียบเหมือนลิงวิ่งไปเกาะอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ในขณะที่เรากำลังพิจารณาความเป็นของปฏิกูลของร่างกายอยากพิจารณาผิวหนังที่มือเป็นต้นแน่นอนว่าความคิดปรุงของจิตเรานั้นก็ไม่ได้คิดปรุงในแบบที่เราอยากให้เป็นเสมอไปเมื่อกำลังพิจารนามืออยู่พอนึกถึงมือได้จิตก็อาจจะปรุงแต่งไปว่าวันนี้มีความสุขมากที่ได้เดินจับมือกับคนรักของเรา อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่มีขันติคืออดพยายามที่จะให้ใจอดจากการปรุงแต่งนั้นเสียหันกลับมุ่งหน้ามาทำงานคือการพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลต่อไปจนเกิดอารมณ์ของความเป็นปฏิกูลของร่างกายที่เกิดขึ้นที่ใจของเราจริงๆแต่ถ้ามันเผลอหรืออดไม่ได้จิตมันยังคงปรุงแต่งในทางที่ไม่เห็นตามความเป็นจริงอยู่ ก็ขอให้ทนต่ออารมณ์ความสุขความยินดีที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ก็คือความสุขที่จิตเผลอไปคิดถึงเรื่องการได้เดินจับมือกับคนรักคือต้องทนที่จะไม่ให้ใจของเราไหลไปตามอำนาจของอารมณ์สุขที่เกิดขึ้นอันนี้ถ้าปล่อยให้ไหลไปใจเราก็จะยิ่งปรุงแต่งความยินดีพอใจมากขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือไม่สามารถพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงได้ ฉะนั้นจึงต้องกลั้นจิตเอาไว้ดึงจิตกลับมาสู่การพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วกลั้นความคิดปรุงเสียๆของจิตเอาไว้เมื่อทำได้ดังนี้จิตจึงสงบระงับลงได้จากนั้นก็มีสติมีขันติเป็นธรรมคอยประคองจิตให้ตั้งมั่นลงในการพิจารณาตามความเป็นจริงจนเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงที่จิตได้จิตจึงจะถอดถอนความสาคัญผิดที่ยึดถือเอาไว้ เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุเกิดความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นว่านี้ทุก์นี้เหตุเกิดทุก์นี้ความดับของทุก์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเราจึงทำที่สุดของทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้สมดังพุทธภาสิตที่ว่าจิตตังดันตังสุ ข, ข้าวหั่งแปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให ซึ่งแนวทางการศึกษาฝึกหัดการพิจารณาใหเห็นตามความเป็นจริงโดยใช้ขันติในอธิปัญญาสิกขานั้นก็ได้อธิบายพอเป็นสังเขปดังที่ได้กล่าวนี้สรุปความว่าวันนี้ได้เชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการปฏบิบัติบูชาอันเป็นการบูชาอย่างเลิศที่สุดเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชของเรา โดยหมวดข้อธรรมที่ยกไว้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัตินั้นก็คือขันติในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นขันติคือความอดทนอดกลั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นตบะคือเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อประพฤติได้ดีแล้วเรื่องเดือดร้อนรุ่มร้อนจากภายนอกก็สงบระงับลงอีกทั้งเรื่องรุ่มร้อนในภายในก็สามารถสงบระงับไปได้ด้วย ฉะนั้นขันติธรรมเมื่อบุคคลใดทำให้มากเจริญให้มากทำให้เป็นนิสัยแห่งจิตของตนได้แล้วจิตดวงนั้นก็มีศักยภาพที่จะต่อต้านความทุกข์ลดทอนความทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งแนวทางการศึกษาและปฏิบัตินั้นก็ได้อธิบายไว้พอสมควรแก่เวลาแล้วก็จึงขอจบพระธรร ม, มเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง